ถ้าฟุ้งอย่างนี้เนี่ยนะมันตกเหวนะตกเหวคือชาติชารามมรณะเป็นต้นนะอันนี้พูดถึงแบบชีวิตคนยากทั้งหลายเนี่ยนะคนยากคนไร้าคนอนาถาเพราะถ้าพลาดตรงนั้นไม่มีอริยทรัพย์มาชดเชยเนี่ยนะเข้าคุกแน่คุกคือนรกกับคุกคือเดรชานเป็นคุกที่ใหญ่แล้วก็คุกที่โตจริงๆทีนี้มามองตรงกันข้ามว่าพระาศาสดาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ีอริยทรัพย์อะไรใช้ว่างก่อนที่จะปรินิพพาน ในฐานะที่พรงเป็นพระธรรมราชานะะพระธรรมราชานั้นมีอะไรใช้ก่อนที่จะดับขันธะปรินิพานอะไรบ้างครัทบทวนนะหนึ่งในข้อหนึ่ง้อสสิสี่หน้าสา2อยี่สองพูดถึงการปรินิพานของพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นการใช้อริยทรัพย์ตามลำดับก่อน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าปฐมฌานเพราะไม่ต้องห่วงว่าจตุปาริสุทธิศินศีลทั้ง4ี่ประการปาติโมขสังวนอินทรียสังวนอนัปจจะสันนิสิตศสินอาชีวปาริสุทธิสินศีลของพระองค์บริบูรณ์เรียบร้อยมาดีอยู่แล้วเนื่องจากว่า อ, อริยสัพย์คือศรัทธาศีลฮิริโอตปะสุตะจาระปัญญาคุณธรรมทุกประการของพระองค์เพียบพร้อมเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์นั้นพระองค์จึงเข้าปฐมฌานได้ ไม่ยากและไม่ลําบากชั่วอาวัชนะเดียวชั่วรำพึงถึงก็เข้าปฐมฌานได้แล้วและการเข้าปฐมฌานก็ไม่ใช่ว่าเออเนี่ยได้เข้าฌานที่หนึ่งบอกไม่ปฐมฌานเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าเข้าปฐมฌานเหล่านั้นทั้งหมดออกจากปฐมฌานสารพัดชนิดเสร็จแล้วก็เข้าทุติยฌานทุติยฌานเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกพระองค์เข้าทุติยฌานเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง นะออกจากทุติยาชาญเสร็จแล้วก็เข้าตาติยาชาญทุกประเภทออกจากตาติยาชาญแล้วก็เขา้าจตุทัชชาทุกอย่างออกจากจตุทัชชาเสร็จแล้วก็เข้าอากาาสารัญจายตนะออกจากอากาาสารัญจายตนะเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะ แล้วก็เข้าอากินจัญญายาตนะออกจากอากินจัญญายาตนะเข้าเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะออกจากเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเข้าสัญญาเวดยิตานิโรธแปลว่าเข้านิโรธสมาบัติการเข้าฌานของพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าศักดแปลว่าฌานที่เป็นสมาธิแต่เข้าแบบทั้งสมถะพละและวิปัสนาพละเพราะถ้าไม่มีสมถะพละวิปัสนาพละจะเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ จะเข้าสัญญาเวทายตานิโรธ ด, ดับสัญญาและเวทนาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงเข้าทั้งโลกิยะสมาบัติและโลกุตระสมาบัติขณะเดียวกันนั้นโลกิยะสมาบัติแต่ละข้อนั้นอ่ะผ่านการเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัต тан ุปัสสนานิพพานุปัสสน า, นาวิราคาและนิโรธานุปัสสนาแปลว่าปฐมฌานเนี่ยนะเมอเข้าปฐมฌานมีกสินเป็นอารมณ์ มีปทวีกสินเป็นอารมณ์ก็ออกจากปฐมฌานก็เจริญอนุปัสนาเจในปฐมฌานแล้วก็เข้าปฐมฌานที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาโดยอนุปัสนาเจตเข้าเตโชกสินเป็นอารมณ์ก็เจริญอนุปัสนาเจตเจริญกสินสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงออกจากแต่ละฌานก็เจริญอนุปัสนาเจตเข้าปฐมฌานที่เป็นอสุภาษสารพัฒชนิด อสุภะที่มีอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วเข้าปฐมฌานได้พระองค์เข้าปฐมฌานเสร็จแล้วก็เจริญอสุเจริญอนุปัสนาทั้งเจ็ดหรืออาณาปานาสติปฐมฌานพระองค์ก็เข้าออกจากปฐมฌานอันนั้นก็เจริญอนุปัสนาหรือไม่ก็ออกอเข้าเมตตาอัปปมัญญาการุณาอัปปมัญญามุติตาอัปปมัญญาออกจากปฐมฌานเหล่านั้นแล้วก็เจริญอนุปัสนาทั้งเจดเพราะฉะนั้นอ อนุอสมถะทั้งหลายปฐมฌานที่มีอยู่ในโลกสารพัดชนิดสารพัดอย่างพระองค์เข้าปฐมฌานเหล่านั้นทั้งมวลเสร็จแล้วก็เจริญอนุ ป, ปัสนาทั้งเจ็ด น, นะนั้นมเอกฌานที่พระพุทธเจ้าเจริญหรือฌานที่พระองค์เข้าไม่ได้เข้าแบบปฐมฌานเพิ่มเดียวเฉยๆนะในอัตถกาหน้าสี่ร้อยสี่สิบสองย่อหน้าล่างพระพุทธเจ้าเข้าปฐมฌานยี่สิบสี่ฐานะ อันนั้นยี่สิสี่กลุ่มชาญใหญ่นะแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยคืออย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในฐานะพระธรรมราชาผู้มีสมบัติคือโลกิยะสมาบัติโลกุตระสมาบัติพระองค์ต้องบริโภคทั้งหมดแล้วค่อยปรินิพานนะนะเรียกว่าได้เสวยใช้สอยเท่าไหร่บอกเท่าแรกตรัสรูเลยครับเข้าชาญสมาบัติเท่ากับแรกต ร, รัสรูแรกตรัสรูเข้าชาญสมาบัติเท่าใดเช่นไรและ อย่างไรก่อนจะไปนิพพานก็เข้าฌานสมาบัติเท่านั้นเนี่ยนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความชํานาญอย่างสุดยอดเนี่ยนะเพราะชนานาญเนี่ยก็เรียกว่าแต่ละชาวนะเนี่ยชวนะที่หนึ่งฌานาที่หนึ่งชวนะที่สองฌานที่สองชวนะที่สามก็กลุ่มฌานาที่สมไปแล้วท่านเรียนได้ทุกชวนะตามแต่พระองค์พุทธประสงค์เพราะจิตของพระองค์เนี่ยฝึกจนแล้วก็ฝึกด้วยศีลฝึกด้วยสมถะฝึกด้วยวิปัสสนา ฝึกด้วยคุณธรรมทั้งปวงพันเข้าปฐมฌานทั้ง24ฐานะเข้าทุติยฌาน13ฐานะเข้า ต, ตัตยยฌาน13ฐานะเข้า จ, านะาจตุทชฌาน15ฐานะเนี่ยนะปฐมฌานนี่24ทุติยฌาน13ตตยยฌาน13จตุทัฌาน15รวมกันเป็น75เนี่ยนะกลุ่มฌานเนี่ย75กลุ่ม แลวแต่และกลุ่มไม่ใช่ว่าแหมอันเดียวเป๊ะแบบโดดโดดไม่มีอะไรนะบอกไม่เฉพาะว่าเนี่ยประถมฌานที่มีอสุภะทั้งอสุภะภายในและก็อสุภะภายนอกหรืออาการสามสิบสองทุกอากา ร, รองค์เข้าฌานได้หมดเลยนะอสุภะเนี่ยถือว่าเป็นสิบแล้วใช่ไหมอาการสามสิบสองนับหนึ่งกระสินอีกแปดเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอาณาปานาสติกก็รวมกันเป็นเท่าไหร่ ยี่บสี่ใช่ไมยีิบสี่มีอะไรอสุภะสิบบว ก, กศิลแปดก็เป็นสิบแปดบวกเมตตากรุณามุทิตาอีกสามก็เป็นยี่สิบเอดบวกอาการสามสิบสองอีกหนึ่งก็เป็นยี่สิบสองแล้วกอ็อนาปานสติอีกหนึ่งยสิบสามปริเชธากาศอีกหนึ่งเป็นยี่สิบสี่มันเข้าปฐมฌานยี่สิบสี่ฐานนะ แต่ละฐานะอย่างอสุภะเนี่ยที่มีอยู่ในโลกที่คนเข้าฌานที่เป็นมาจากอสุภะก็เข้าทุกชนิดอาการ32เข้าฌานได้ทุกทุกอาการตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าปฐมฌานได้หมดเลย เนี่ยนะกะสินทั้ง8เลยนะกระสินดินน้ําไฟลมกระสินสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงทุกอย่างเข้าได้หมดเลยเมตตาในสัตว์ทั้งหลายโดยที่สุดหาประมาณไม่ได้ทุกทิศ ท, ทิศเบื้องบนเบื้องตา่าเบื้องขวางทั้งโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงกรุณาทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจงแผ่ไปในทิศ ท, ทั้งสิบ ท, ทั้งที่เป็นสัตว์บุคคลปานะพูดเนี่ยนะหรือว่าได้ตั้งแต่นรก เนี่ยนะะเรีว่าสัพเพเทวาสัพเพมนุาสาสัพเพวินิปาติกาเนี่ยนะเจริญในทุกอย่างสารพัดชนิดในกลุ่มเมตตาทุกอย่างทุกประเภทกรุณาทุกอย่างทุกประเภทมุทิตาทุกอย่างทุกประเภทอาณาปานสติลมหายใจเข้าออกออก็กจเจริญได้แล้วก็อากาศทุกอย่างเป็นพระองค์เข้าปฐมฌานได้หมดเลยพันถือว่าเป็นพระธรรมราชาอย่างแท้จริงเห็นอะเขาเรียกว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ในโลกเข้าฌาญได้หมดเลย นะฮัณฌานของพระองค์นี้ประกอบไปด้วยอนะไรวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกก็ถือว่าพระองค์นี้มีความสุขอย่างลึกซึ้งกับทุกอารมณ์มีความสุขเนี่ย น, นะมีวิตกวิจารณ์ปีติมีปีติมีสุขเป็นเอกคตาได้กับทุกอารมณ์นะมีปีติได้กับทุกอารมณ์ซึ่งตรงกันข้ามกับศาต ร, ร์ทั้งหลายเครียดได้กับทุกเรื่องอันนี้คือคนรวยกับคือพระพาลอริยะกับพระอ ปุถุชนทั่วๆไปที่ไม่ได้ฝึกกับพระพุทธเจ้าผู้ฝึกเสร็จแล้วต่างกันอย่างไรปุถุชนคิดถึงเรื่องอะไรแห้งแลง้งเฉาใจไปทุกเรื่องโทสะไปทุกเรื่องไม่สบายใจสัเกือบทุกเรื่องถึงเรื่องดีๆโอ้ยต้องสูญเสียอีกแล้วเป็นตนตแต่พระองค์บอกไม่นะพระองค์บอกมีปีติกับสิ่งเหล่านั้นทุกคนเนี่ยคิดแล้วทุกข์ไม่สบายใจเลยเนี่ยนะพระองค์คิดแล้วก็สบายใจคนทั้งหลายคิดแล้วก็ฟุ้งซ่าน แต่พระพุทธเจ้าคิดแล้วเป็นสมาธิเนี่ยนะเป็นอุปจาระสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นปฐมฌานและพระองค์เองก็เข้าทุติยชฌานเกียรติกันวิตกวิจารณ์ออกไปเหลือแต่อนนะปีติสุขและเอกคตา ย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าออกจากปฐมฌานสารพัดอย่างเจริญอนุปัสนาทั้งเจประการเนี่ยนะเจริญทั้งอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาปฏินิสักานุปัสนาเจริญอนุปัสนากับปฐมฌานทุกอย่างเรียกว่าถ้าพิจารณาแบบธรรมดาและเข้าฌานเนี่ยถือว่าแม้ไม่ค่อยลึกซึ้งเลยเนี่ยนะแบบรูปเป็นทนาธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแล้วเจริญอนุปัสนาเขาบอกไม่ลึกซึ้งต้องสมถะเป็นเป็น พื้นฐานแล้วก็เจริญวิปัสนาเนี่ยนะทีนี้การเจริญอันนี้เป็นการเจริญลักษณะเพื่อบริโภคใช้สอยแต่ไม่ใช่แสวงหาอันนเป็นทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมอย่างบุคคลทั่วๆไปเจริญฌานเจริญอะไรบางคนเจริญเชื่อเพื่อบรรลุมรรคผลเจริญเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระองค์เจริญเพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมมันพระองค์เข้าฌานทุกอย่างแล้วก็เข้าเข้าอะไรเจริญอนุปัสนาต่อ หลังจากนั้นก็เข้าทุติยฌานเนี่ยนะทุติยฌานมีอยู่ทั้งหมด13บาฐานะเพราะอสุภาษิบกับอาการ32ไม่ได้ทุติยฌานนะนะก็เข้าทุติยฌานโดยกสินแปดโดยเมตตากรุณามุตตาอนาปานสติและปริเฉธากาศเนี่ยนะก็คืออากาศที่ที่ว่างนะอากาศโล่งๆนั้นก็เป็นอารมณ์ของทุติยฌานตติยฌานก็กันอะไรออกไปการสุเหลือแต่เ ห, หลือแต่สุข ปฐมอภมฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาทุติยฌานเอาวิตกวิจาร์ออกไปเหลือปีติสุขเอกคตาตาติยฌ า, ากนการปีติออกไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาเนี่ยนะเหลือแต่ความสุขกับเอกคตาเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าจตุทชฌ า, านอีกสิบห้าฐานะก็คือต่อจากเมตตาก็เข้าอุเบกขาพรหมมิหารก็ได้ต่อจากมุทิตา หรือกรุณาก็ ต, ต่อด้วยอุเบกขาพรหมิหารอานาปานาสติปริเชษทากาศและที่มาจากกสินทุกอย่างเช่นกสินทุกประเภทเนี่ยนะเพิพ่จากพัทวีกสินเข้าอากาสานัญจยยตนะเพิ่จากเตอาโปกสินก็เข้าอากาสานัญจยยตนะเพิ่มจากเตโชกสินก็เข้าอากาสานัญจยยตนะเพิ่มจากวาโยกสินเพิ่มจากสีขาวสีเหลืองสีแดงก็เข้าอากาสาัญจยยตนะ ไม่ใส่ใจในอากาศก็กําหนดอากาศานันจายตนะเป็นอารมณ์เข้าวิญญาณันจายตนะเนี่ยนะไม่ใส่ใจในวิญญาณอันนั้นกําหนดนัตถิภาวะไม่มีจิตเจสิกเลยเนี่ยนะก็เป็นอากินจัญญายตนะเนี่ยก็กําหนดอากินฌานตัวนั้นแหละแล้วเข้าเนวะสัญญาณาสัญญายตนะสมาบัติเนี่ยนะแล้วก็เข้าสมาบัติพร้อมกับอนุปัสนาทุกประเภททุกอย่าง พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมะสามีธรรมะสามีแปลว่าอะไรเจ้าของแห่งธรรมเนี่ยนะสามีแปลว่าเจ้าของเจ้าของแห่งธรรมบริโภคคุณธรรมทั้งหลายสารพัดชนิดทั้งโลกียะสมาบัตและโลกุตระสมาบัตแต่พระองค์ไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะบริโภคดินน้ำลมไฟเออทวารบำรุงตาหูจมกูกลิ้นกายไม่ใช่แต่เป็นผู้ที่บำรุงจิตใจพ ร, พระองค์เป็นผู้ที่ ฝึกจิตอบรมจิตให้ถึงถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะที่สุดของผู้ที่ฝึกเสร็จแล้วก็คือความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองผู้เป็นพระธรรมสามีนะบริโภคใช้สอยธรทำทุกอย่างที่มีหลังจากที่พระองค์จะเสด็จเข้าสู่ปรินิพานก่อนปรินิพานพระองค์เข้าสมาบัติถ้านับแบบกลุ่มๆ ก, ก็รวมประมาณยี่สิบสี่แสนโกรธเนี่ยนะยี่สิบสี่แสนะ 24, 000, 000โกรธแสนโกรธก็เท่าไหร่เยอะแล้วนะยี่สิบสี่แสนโกรธ ก็ถือหลายหลายร้อยหลายหลายหลายแสนล้านมากน น, นะหลายแสนล้านหลายหมื่นล้านมากก็จริงๆก็ใช้ประมาณยี่สิบสี่ล้านโกฎส ม, มาบัติเนี่ยนะยี่สบสี่ล้านโกฎสมาบัติสมาบัติที่เข้าเหล่านี้เนี่ยซึ่งใช้เวลาอยู่ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงไม่อาจจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้าในการเข้าถามว่าทำไมเพราะพระองค์ใช้เวลาอยู่กับพวังในสั้นมาก เข้าพวังไม่กี่ขณะจิตแล้วจิตชั่วขณะลัดนิ้วมือหนึ่งเกิดดับเท่าไหร่แล้วไอ้ความที่ชํานาญเนี่ยเอาว่องไวอย่างนั้นเนี่ยเข้าฌานสมาบัติได้ทั้งหมดแล้วถามว่าในโลกเนี่ยใครจะมีความสุขเท่านี้ก่อนจะปรินิพานนะใครที่จะมีความสุขขนาดนี้อีกแล้วซึ่งสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกล้วนแต่จะต้องตายเป็นสภาพแต่คุณภาพของจิตเนี่ยเป็นตัวบอกได้เลยว่าคนนั้นเมื่อตายแล้วจะไปไหน จิตเตสังกิริตเททุคติบาติกังขาสําหรับบุคคลที่มีจิตเศร้าหมองก่อนจะตายอบายทุคติวินิบาตินรกเป็นต้นก็หวังได้หวังได้เลยว่าจะต้องเกิดในนรกประมาณห้าร้ยี่สิบแปดขุมเนี่ยนะหวังได้เลยว่าจะเกิดในเดรชนมีกี่ฝูงมีกี่จําพวกหวังได้เลยว่าจะเกิดในเปรตทั้งสิบสองกลุ่มใหญ่หวังได้เลยว่าจะต้องเกิดในอสุรกายผู้อดอยาก ห, หิวโหยอีกเท่าไหร่พันจิตผู้ที่จิตเศร้ามอง เดือดร้อนเรา่าร้อนไปอกักตับอกุศลกรรมมาจากปานาธิบาตอธินาทานกาเมหรือสรุปว่าเดือดร้อนมาจากอักุศลกรรมมาบททุกๆข้อหรือเดือดร้อนเพราะไม่ได้เจริญกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ก็อบายเป็นที่ไปสัตว์เหล่านั้นจํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยนะเยอะจริงๆ